กรณีภิกษุผู้เที่ยวไปรูปเดียวหรือผู้อยู่ป่าพระองค์ก็ตรัสจำแนกเช่นในอรัญญกสูตรอังคุตรณิกายปัญจกานิบาตมีพุทธพ์ว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้อยู่ป่ามีห้าประเภทดังนี้ห้าประเภทคืออะไรได้แก่ผู้ที่อยู่ป่าเพราะเป็นผู้โง่เขลาเพราะงมงายหนึ่ง ผู้มีความปรารถนาลามกถูกความปรารถนาครอบงำจึงอยู่ป่าหนึ่งผู้อยู่ป่าเพราะความเสียจริตเพราะจิตฟุ้งซ่านหนึ่งผู้อยู่ป่าเพราะเห็นว่าการอยู่ป่านี้พระพุทธทั้งหลายพระพุทธสาวกทั้งหลายสรรเสริญหนึ่งผู้อยู่ป่าเพราะอาศัยความเป็นผู้มักน้อยความสันโดษความขัดเกล่าความฝ่ายสงัด ความพอใจเท่าที่มีหนึ่งบรรดาผู้อยู่ป่าห้าประเภทเหล่านี้ผู้ที่อยู่ป่าเพราะความมักน้อยความสันโดษความขัดเกลา่าความฝ่ายสงัดความพอใจเท่าที่มีนี้เป็นอย่างเลิศประเสริฐนำหน้าสูงสุดดีเยี่ยมในบรรดาผู้อยู่ป่าทั้งห้าประเภทเหล่านี้ในทารุกามิกสูตรอังคุตรนิกายฉักกะนิบาศ พระพุทธเจ้าตรัสถามขาระห บ, บดีชื่อทารุกรรมิกะว่าดูกระฆาบดีทานในตระกูลท่านยังให้อยู่หรือทารุกรรมิกะกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทานในตระกูลข้าพระองค์ยังให้อยู่ก็แลทานนั้นข้าพระองค์ถวายในประดาท่านพระภิกษุทั้งหลายชนิดที่เป็นผู้อยู่ป่าถือบินทบาตครองผ้าบางสุกุล ซึ่งเป็นพระอรหันต์หรือเข้าถึงอรหัตตมัตยพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าดูกระกะหบดีท่านซึ่งเป็นครหอัดยากจะรู้ได้ถึงความข้อนั้นว่าท่านเหล่านี้เป็นพระอรหันต์หรือว่าท่านเหล่านี้เป็นผู้เข้าถึงอรหัตตมัตยแล้วพระองค์ก็ตรัสจำแนกว่าถึงจะเป็นภิกษุอยู่ป่าหากเป็นผู้ฟุ้งซ่านลำพอง กวัดแกงปากมากพูดพล่อยสติเลอะลอยไร้สัมปชัญญะจิตไม่ตั้งมั่นจิตใจวุ่นวายปล่อยอินทรีย์เธอก็เป็นผู้อันควรติดเตียนโดยลักษณะข้อนั้นถึงจะเป็นภิกษุอยู่ป่าหากเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านไม่ลำพองไม่กวัดแกงไม่ปากมากไม่พูดพล่อยมีสติกำกับตัว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 เธอก็เป็นผู้อันควรติเตียนโดยลักษณะข้อนั้นถึงเป็นภิกษุอยู่ชายเขตบ้านหากเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านไม่ลำพองไม่กวัดแกวงไม่ปากมากไม่พูดพล่อยมีสติกำกับตัวมีสัมปชัญญะมีจิตตั้งมั่นจิตใจเป็นหนึ่งเดียวสำรวมอินทรีย์เธอก็เป็นผู้อันควรสันเสริญโดยลักษณะข้อนั้น ถึงจะเป็นภิกษุถือบินทบาทถึงจะเป็นภิกษุรับนิมนต์ถึงจะเป็นภิกษุครองผ้าบางสุกุลถึงจะเป็นภิกษุครองจีวรที่ขหะบดีถวายก็เช่นเดียวกันดูกระกระหบดีเชิญท่านให้ทานในสงเถิดในจัวรสูตรอังคุตรนิกายปัญจการนิบาตพระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุบาป เป็นผู้เที่ยวไปรูปเดียวอย่างไรกล่าวคือพิกษุบาปอยู่อาศัยในชนบทชายแดนแต่ผู้เดียวเธอเข้าหาสกุลทั้งหลายในที่นั้นย่อมได้ลาบพิกษุบาปเป็นผู้เที่ยวไปรูปเดียวอย่างนี้แหลส่วนในเรื่องพระเถระชื่อเอกวิหารีขุตกานิกายกระถาธรรมบททรงปราบพระเถระชื่อเอกวิหารีแล้วตรัสอนิสงในวิเวกว่านั่งผู้เดียว นอนผู้เดียวเที่ยวไปผู้เดียวไม่เกียจคร้านฝึกตนอยู่ผู้เดียวพึงเป็นผู้ยินดีในแดนป่าในสกัดลิกสูตรสังยุตตนิกายสขาทถวัตหลังจากที่พระเทวทัตผลักหินมุ่งทำร้ายพระพุทธองค์สเก็ตหินมาถูกพระบาททำให้พระโรห uh ิตห้อทรงได้รับทุกเวทนากล้าแต่ทรงมีสติสัมปชัญญะอดกลั้นเวทนาได้ เทวดาพวกสตุละระปกายิกาหลายท่านมาเฝ้าทูลสรรเสริญพระองค์สุดท้ายได้กล่าวคาถาว่าพรามผู้บำเพ็ญตบะทั้งหลายสยบแก่ตันหาถูกศีลและรดมัดเอาไว้บำเพ็ญตบะอันคร่ำตลอดเวลาร้อยปีจิตของเขาก็หาหลุดพ้นโดยชอบไม่เขายังมีท่วงทีสามหาไปถึงฝั่งไม้ผู้ชอบถือตัว ย่อมไม่มีการฝึกตนผู้มีจิตไม่ตั้งมั่นย่อมไม่มีปรีชาแห่งมุนีผู้อยู่ผู้เดียวในป่าประมาทเสียก็ข้ามฝั่งแห่งแดนมัจจุราชไม่ได้ละมานะได้แล้วมีจิตตั้งมั่นเป็นอันดีใจงามหลุดพ้นโดยประการทั้งปวงอยู่ผู้เดียวในป่าไม่ประมาทผู้นั้นจึงจะข้ามฝั่งแห่งแดนมัจจุราชได้ ในเทระนามสูตรสั่งยุตนิกายนิทานวักพิสุรูปหนึ่งมีชื่อว่าเทระเป็นผู้อยู่ผู้เดียวและพูดสรรเสริญคุณแห่งการอยู่ผู้เดียวเธอเข้าไปบินธบาตในหมู่บ้านองค์เดียวกลับมาองค์เดียวนั่งในที่รับอยู่องค์เดียวเดินจงกรมองเดียวมีพิสุหลายรูปกราบทูลเรื่องของท่านแดรพระพุทธเจ้าพระองค์จึงตรัสให้เรียกเธอมาตรัสสักถาม ดังคำสนทนาต่อไปนี้พระพุทธเจ้าตรัสถามว่าดูกระเถระทราบว่าเธอเป็นผู้อยู่เดียวและสรรเสริญคุณแห่งการอยู่เดียวจริงหรือภิกษุชื่อเถระทูลว่าจริงอย่างนั้นพระเจ้าข้าพระพุทธเจ้าตรัสถามว่าเธออยู่เดียวและสรรเสริญคุณแห่งการอยู่เดียวอย่างไรภิกษุชื่อเถระทูลว่า ในเรื่องนี้ข้าพระองค์เข้าไปบินธบาตในหมู่บ้านองค์เดียวกลับมาองค์เดียวนั่งอยู่ในที่รับองค์เดียวเดินจงกรมองค์เดียวข้าพระองค์อยู่เดียวและพูดสรรเสริญคุณแห่งการอยู่เดียวอย่างนี้แหลพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าดูกระเทระนั่นก็เป็นการอยู่เดียวได้อยู่เราไม่ได้กล่าวว่าไม่เป็นแต่เธอจงฟัง วิธีที่จะให้การอยู่เดียวของเธอเป็นกิจบริบูรณ์โดยพิสดารยิ่งกว่านั้นจงมนสิการให้ดีเราจะกล่าวสิ่งที่เป็นอดีตก็ละได้แล้วสิ่งที่เป็นอนาคตก็งดได้แล้วความพอใจติดใครในการได้เป็นตัวตนต่างๆในปัจจุบันก็กําจัดได้แล้วการอยู่เดียวย่อมบริบูรณ์โดยพิสดารยิ่งกว่านั้นได้ด้วยประการฉนี ในปฐมมิฆชาลสูตรสังยุตตนิกายสลายตนวั์ท่านพระมิาชาละได้ทูลถามพระพุทธเจ้าว่าพระองค์ผู้เจริญเรียกกันว่าผู้อยู่เดียวผู้อยู่เดียวดังนี้ด้วยเหตุผลเพียงไรหนอจึงจะเป็นผู้อยู่เดียวและด้วยเหตุผลเพียงไรจึงจะเป็นผู้อยู่มีคู่สองพระพุทธเจ้าตรัสว่าดูกระมิาชาละ รูปทั้งหลายที่พึงรู้ด้วยตาเสียงทั้งหลายกลิ่นทั้งหลายรสทั้งหลายสิ่งต้องกายทั้งหลายทำทั้งหลายที่พึงรู้ด้วยใจซึ่งน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจเป็นของเปร่งปรีกอบด้วยความเยาวยวนชวนให้ติดใจมีอยู่หากพิสุพร่ำเพลินพร่ำบ่นถึงสยบอยู่กับสิ่งนั้นนันันทิ คือความเริงใจหรือหื่นเหิมย่อมเกิดขึ้นเมื่อมีนันธิก็มีความติดพันเมื่อมีความติดพันก็มีสัญโยตคือกิเลสที่ผูกมัดใจภิกษุผู้ติดพันอยู่ด้วยนันทิและสัญโยตเรียกว่าอยู่มีคู่สองภิกษุผู้เป็นอยู่อย่างนี้ถึงจะไปเสพอาศัยเสนาสนะอันสงดในราวป่าแดนไพรซึ่งเงียบเสียงไม่มีความอึกระทึก วางเวงควรแกการลับของมนุษย์เหมาะแกะการหลีกเร้นก็เรียกได้ว่าเป็นผู้อยู่มีคู่สองโดยแท้ข้อนั้นเพราะเหตุไรก็เพราะตัญหาเป็นเพื่อนสองของเธอตันหานั้นเธอยังละไม่ได้เพราะฉะนั้นเธอจึงถูกเรียกว่าเป็นผู้อยู่มีคู่สองดูกระมิขชาละ รูปทั้งหลายที่พึงรู้ด้วยตาเสียงทั้งหลายกลิ่นทั้งหลายรสทั้งหลายสิ่งต้องการทั้งหลายทำทั้งหลายที่พึงรู้ด้วยใจซึ่งน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจเป็นของเปรมปรีกอบด้วยความเย้าวยวนชวนให้ติดใจมีอยู่หากพิสุไม่พร่ำเพลินไม่พร่ำบนถึงไม่สยบอยู่กับสิ่งนั้นนันท่ย่อมดับ เมื่อไม่มีนันทิก็ไม่มีความติดพันเมื่อไม่มีความติดพันก็ไม่มีสัญโยชตภิกษุไม่ติดพันด้วยนันทิและสัญโยชตเรียกว่าผู้อยู่เดียวภิกษุผู้เป็นอยู่อย่างนี้ถึงอยู่ในเขตบ้านปะปนด้วยภิกษุทั้งหลายภิกษุณีอุบาสกอุบาสิการาชามหาอามาตย์เดียรถีสาวกเดียรถีทั้งหลาย ก็เรียกได้ว่าเป็นผู้อยู่เดียวโดยแท้ข้อนั้นเพราะเหตุไปรก็เพราะตันหาที่เป็นเพื่อนสองของเธอนั้นเธอละได้แล้วเพราะฉะนั้นเธอจึงเรียกได้ว่าเป็นผู้อยู่เดียวในวิวิตสูตรอังคุตรณิกายติกาิบาตมีพุทธพจน์ว่าภิกษุทั้งหลายเราอัญญเดรถีปริพาชกย่อมบัญญัต ปวิเวก ค, คือความสงัดกิเลสไว้สามอย่างดังนี้สามอย่างอะไรบ้างคือความสงัดกิเลสเพราะจีวรความสงัดกิเลสเพราะบิณทบาตความสงัดกิเลสเพราะเสนาสนะบรรดาความสงัดกิเลสสามอย่างนั้นในข้อความสงัดกิเลสเพราะจีวรหรือเครื่องนุ่งหม่มเราอัญญเดียรถีปริภาชกย่อมบรรญัติสิ่งต่อไปนี้คือนุ่งห่มผ้าป่านบ้าง นุ่งห่มผ้าแกมกันบ้างนุ่งห่มผ้าห่อศดบ้างนุ่งห่มผ้าบางสุกุลบ้างนุ่งห่มผ้าเปลือกไม้บ้างนุ่งห่มหนังเสือบ้างนุ่งห่มหนังเสือทั้งเล็บบ้างนุ่งห่มขากรองบ้างนุ่งห่มเปลือกปอกรองบ้างนุ่งห่มผลไม้ครองบ้างนุ่งห่มผ้ากำพลทำด้วยผมคนบ้างนุ่งห่มผ้ากำพลทำด้วยขนสัตว์ร้ายบ้างนุ่งห่มผ้าที่ทำด้วยขนปีกนกเขาบ้าง ในข้อความสังัดกิเลสเพราะบินทบาดหรืออาหารเราอัญญะเดรถีปริภาชกย่อมบัญญัติสิ่งต่อไปนี้คือเป็นผู้มีผักดองเป็นพักษาบ้างมีข้าวฟ่างเป็นพักษาบ้างมีลูกเดือยเป็นพักษาบ้างมีกากข้าวเป็นพักษาบ้างมียางเป็นพักษาบ้างมีสาหรายเป็นพักษาบ้างมีรำเป็นพักษาบ้างมีข้าวตังเป็นพักษาบ้าง มีกำยานเป็นพักษาบ้างมีหญ้าเป็นพักษาบ้างมีมูลโคเป็นพักษาบ้างมีเผือกมันผลไม้ในป่าเป็นอาหารกินผลไม้ที่หล่นเองอย่างชีพในข้อความสังกัดกิเลสเพราะเสนาสะนะหรือที่อยู่อาศัยเราอัญญเดรถีปริพาชกย่อมบัญญัติสิ่งต่อไปนี้คือป่าโคนไม้ป่าช้าป่าชัด ที่กลางแจ้งลอมฟางโลงลานภิกษุทั้งหลายส่วนในธรรมวิิันนี้ภิกษุมีความสงัดกิเลสสามอย่างต่อไปนี้สอย่างอะไรบ้างคือหนึ่งภิกษุเป็นผู้มีศีลและความทุศีลเป็นสิ่งที่เธอละได้แล้วเธอจึงเป็นผู้สงัดจากความทุศีลนั้นสองภิกษุเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิ และมิจฉาทิฐิเป็นสิ่งที่เธอละได้แล้วเธอจึงเป็นผู้สงัดจากมิจฉาทิฐินั้นสามกิสุเป็นพระขีนาศพและอาสวะทั้งหลายเป็นสิ่งที่เธอละได้แล้วเธอจึงเป็นผู้สงัดจากอาสวะเหล่านั้นภิกสุนี้เรียกว่าเป็นผู้ถึงยอดเป็นผู้ถึงแก่นบริสุทธ์ดำรงมั่นอยู่ในแก่นสารวิพัชวทะ ตามบาลีที่ยกมาแสดงเป็นตัวอย่างในที่นี้ให้ก็คิดเพิ่มเติมอีกอย่างหนึ่งด้วยว่าการลอกคัดตัดความสั้นๆจากพระไตรปิฎกมายืนยันทัศนะเกี่ยวกับคำสอนของพระพุทธศาสนาบางครั้งทำให้ผู้อ่านผู้ฟังมองเห็นคำสอนเพียงบางส่วนบางแง่ที่ไม่สมบูรณ์และทำให้เข้าใจพระพุทธศาสนาอย่างผิดพลาดผู้แสดงคาสอนของพระพุทธศาสนาจึงควรลอกคัดอ้างความด้วยความระมัดระวัง รู้จักเลือกว่าคำสอนอย่างใดแสดงหลักทั่วไปอย่างกว้างของพระพุทธศาสนาคำสอนอย่างใดแสดงลักษณะคำสอนเฉพาะแง่เฉพาะด้านเฉพาะกรณีหรือมีเงื่อนไขซึ่งควรนํามาแสดงหลายแง่หลายด้านให้เห็นครบถ้วนหรือชี้แจงกรณีและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องให้ผู้อ่านผู้ฟังทราบด้วยจะได้มองเห็นภาพของพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้องตามเป็นจริง